มีนามไม่พอมีที่เกิดขึ้นบนรูปบนนามอกีกมีการกระทําเรียกว่ารูปมันทํานามมันทํามีรูปมีนามไม่พอยังมีรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์เกิดขึ้นที่รูปขี่นามนี้รูปเป็นสุขนามเป็นสุขเออดีเกี่ยวข้องกับวัคคารเหล่านี่อย่างไร ถ้าทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นทุกข์ยังไม่รู้ตัวเองรูปโลกนามโลกรูปมันเป็นโลกนามเป็นโลกโลกของรูป ก, ก็มีที่มันเป็นธรรมชาติเป็นอาการก็มีบางอย่างเป็นธรรมชาติบางอย่างเป็นอาการ เราก็ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ความร้อนความหนาวมาเป็นสุขเป็นทุกข์มันรูปทุกข์มันต้องมีอะรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ทุกบัญญัติต้องกําหนดรูปเฉยๆทุกบัอย่างต้องเหงงงม็นเท่าทุกบัญญัติต้องละ ที่มาเกิดกับลูกที่เหมือนทุกข์ที่เกิดกับนามมีระเบียบบางทีได้ประยยชน์จาความทุกข์เห็ทนทุกข์จึงพ้นทุกข์ไม่เห็นทุกข์เป็นทุกข์เรียว่าลูกตัวเองหายใจเข้าหายใจออก เป็นทุกสภาวะทุกตามธรรมชาติเดินเดินนั่งนอนคุยเหยือ่อเคลื่อนไหวกินขับถ่ายนี่เป็นรูปแบบหนึ่งต้องบรนเทาหิวต้องกินข้าวหนาวต้องห่มผ้าร้อนต้องอาบดามไม่ใช่ทุกนั่งนอนก็ปวดหลังปวดเทยวก็เป็นทุกแบบกำหนดรูปดรืการรูป ไม่ถึงทุกทั้งหมดแตงนามก็ทุกไม่ใช่เป็นคนละส่วนเห็นมันทุกที่เกิดกับลูกนามไม่ต้องทุกด้วยใจมันมีลูกไปนามจึงรู้จักหิวรู้จักร้อนถ้าไม่รู้มีลูกไปนามมันก็ไม่รู้จักหิวไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักเก็บจักปวด นี่มันเป็นรูปเป็นนามมันแสดงนี่ได้ยว่าเห็นตัวเองรูปตัวเองอย่าเป็นความโกรธความโลภความหลงความวิตกความวุ่นเสามองทุกแบบนั้นต้องละเอาไว้ไม่ได้ไม่หนอนเนืองข้างหาจิตใจที่วิตเราทุกแบบนั้นเป็นทุกต้องละอย่าไปยึดถือ เมื่อเป็นตัวเราเรารู้จักมันชัดเจนแบบนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปนามชัดเจนแม่นยามตามเหตุปัจจัยย้ายไปถึงทุกข์จึงเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์อันนี้คือรูปทุกข์นามทุกข์รูปโลกนามโลก มันมีโรคโลกนี้นามมันมีโรคโลกของรูปวันหนึ่งคือเจ็บเพื่อหรืป่วยเป็นโลคมะเล็งมีตับมีไตมีปอดมีหัวใจมีม้ามมีลำไส้มีกระดูกมีเส้นเอ็นมีเนื้อเห็นโรคทั้งนั้นแต่ว่ารูปมันเป็นโรคใช่ชีวิตไม่ถูกต้องก็เกิดโรคได้ถ้าไม่รู้ชีวิตของตนไปกินไปจิ้นเล่าสูบูรี เทีตีเรรอนกิดสมสอนเกิดโรคเกิดได้ใช่ไม่เป็นจึงผิดพลาดเจ็บไข้หรืป่วยพรกชีวิตใช่ไม่เป็นไม่รู้จากตัวเองรูปโรคมากมายนามโรคคือความโกรธความโลภความหลงความทุกความรังเกียจความวิตกกังวลความพุ่งส้างความรังเลสงสัยความเศร้าหมองเป็นโรคของนามโรคแบบนี้ เจได้ไม่ต้องอาศัยหมอโรคที่เกิดกิดรูปต้องอาศัยหมอใช้หยู่สช้ ย, ยาโรคที่เกิดกับนามต้องใช้ธรรมะมีคู่พอดีมันทุกข์มันโกรธไม่โกรธเหมือนโลภไม่โลภมันหลงไม่หลงเนื้าธรรมะอันนี้เป็นการแก้ทุกข์พุทธัง พุทโธทุกคจักรคตาจากวิคตาจากหิตตจมยพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกับจจดทุกขคือธรรมะมันเห็นมันมีสติรูปสมมุตินามสมมุติสมมุติบางทีเราก็ยึดว่าเป็นของจริงชื่อคนนั้นชื่อนี่สมมุติมันหยัด มันหยัดเอาตามตัวบทกฎหมายสมมุติเรียกกันให้สำเร็จประโยชน์สมมุติจับรูปเรายังมีสมมุติจักนามนามนี่ก็สมมุติว่าชอบว่าไม่ชอบนั่นเป็นสมมุตริรักว่าเจียดชังนั่นเป็นสมมุติบัญญัติเอาเองเกิดจากวัตถุภายนอกภายใน ตาหูจมูกดิ้นกายใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงเมืสัมผัสกันเขาก็ไม่มีสติไม่มีรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเลยเกิดสมมุติบัญญัติบัญญัติเอาไม่จริงสมมุติบัญญัติไม่จริงร่วมโกรธเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัาจัจร รวมทุกเป็นสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรมาจักรกลัวโกรธเป็นสมมุติคลัวมไม่โกรธเป็นปรมัตาจริงกลัวกันวัตถุอาการเมื้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเป็นวัตถุอาการตามันเห็นก็ต้องมีอาการเห็น แสงแดกวัดต้องร้อนนองฝนต้องหนาวมีวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้รูปวัตถุอาการมีแผ่นดินแม่แวน่น้ามีป่าไม้มีสัตว์มีแมลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นบนวัตถุอาการนอกจากกายจักใจรูปทํานามทรรแล้วเมื่อรู้จักตัวเองตามความเป็นจริง ใช้ชีิตได้อย่างถูกต้องถ้าอะไรเกิดกับลูกกับน้ำจบได้เรียนจบได้แาจจะไม่นานถ้าศึกษามีสติเข้าไปดูเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างไม่เกินนี้เราจะเรียนสติปฐานอย่างต่อเนื่องมีสติใช้เวลาให้ฝึกสตินี่ลองดูมาดูกายดูใจลองดูไม่นาน จะเรียนจ บ, จบเห็นรูปนามเห็นขันหน้าตามความจริ ง, รงเห็นความคิดที่เป็นนามธรรมปรเป็นแต่ความคิดเฉยๆกลายเป็นอารมณ์ได้อารงณ์ก็ล่ายกวาเสือทำลายคนมามากแล้วน่านไม่เห็นไม่รู้มัน อะไรก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนตทั้งหมดโง่ โ, รงโกรธคือเราความทุกข์คือเราพอใจไม่พอใจทาําตามอารมณ์ตัวเองก็ได้ทําลายตัวเองก็ได้ทําลายคนอื่นก็ได้ชิงเงินก็ได้อารมณ์เป็นใหญ่อารมณ์มันไม่ใช่จิตใจมันจรมาอาศสใจอาศัยนาม เพื่อใช่ให้สำเร็จประโยชน์ของอารมณ์อันโกรธก็ใช่ความโกรธใน้สำเร็จประโยชน์ตามตามความโกรธก็อันตรายเราเรีวกว่าเราไม่เห็นความคิดไม่เห็นจิตที่เหมือนคิดเหมือนก็ไปกล คิดมีสองลักษณะตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดอันไม่ได้ตั้งใจหรือว่าสองขานเนี่ยมารู้จักตัวเองชัดเจนน่ะนี่รู้จักมากกว่ารู้อย่างองื่นรู้จักรูปมากกว่ารู้อย่างองื่นรู้จักนา ม, มากกว่ารู้อย่างอื่นมีปัญญาเรื่องนี้มากกว่าปัญญาอื่นปาาัญญาถ้าเกิดจากกองสังขานคือลูกกับนามนี่ ไม่ใช่เรียนรู้จากพิเศษแบบการศึกษาทั่วไปแต่เรา ร, รู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาปัญญาพุทธะไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นคือรูปธรรมนามธรรมคือกายคือใจ น, นี่โดยเฉาะ จนหมดจนครบจนทวนเห็นความคิดใช่ความผิด ท, ดที่ที่มันไม่ใช่ตั้งใจคิดมันหม ด, ห ม, ดมีแต่ความตั้งใจคิ ด, คดน้อยๆแต่คิดอย่างใดชัดเจนแม่นยำอย่างนี้แตวามารู้จากตัวเองก่อนลู้คนอื่นเมื่อลู้ตัวเราแล้วก็รู้จักคนอื่นเกี่ยวข้องกับคนอื่นเชิงเงินวัตถุอื่นได้ ไม่ชีวิตไม่บีเปลี่ยนตนไม่บีบเพลียนคนอื่นเหมือนกันหมดทุกคนถ้าก็ช่วยไม่บีเปียนตนเองไม่บีบเพียนคนอื่นแล้วชนคนอื่นไม่เขาบีบเบียนเขาชนคนอื่นไม่เขาบีบเปลียนคนอื่นจนสุดความสามารถ มันจะเกิดไหลขึ้นถ้ามีถ้ามารู้อย่างนี้แล้วเรามารู้จักเมื่อรู้จักตัวเองก็รู้จักคนอื่นคนอื่นคือใครคนอยู่ใกล้คิดตัวเราทําอะไรคนอยู่ไกล้คิดสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเราจะทําอะไรถ้าเรารู้จักตัวเองแล้ว มันก็นมีแต่ทำความดีไม่เมตตาคุณาช่วยกันเห็นหลกเห็นใจกันเห็นวัตถุเอือนเชิงเงินชีวิตก็ชัดเกนมดแล้วทำอะไรทำดีความชั่วไม่ทำดีทำไปใจไม่ยึดอะไรที่มิชานเป็นการที่ต้องทำไม่ใช่เกียรติค้านคนรู้จักตัวเองไปคนขยัน ามความดีไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเพียงพอแม่เวลานอนก็ามความดีเวลานอนเป็นขั้งสุดท้ายเหล่าอะไรที่ไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยอหเยแขนวาเรียบร้อยก็นุ่งพ่อหอมให้เรียบร้อยก็จะไมไ่ตื่นอีก เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรจำหนตีเตียนตัวเองเวลาจะลุ ก, ลกสั่งลาที่นอ น, น, อ, นอาจจะไม่ได้กลับมานอนอีกแล้วบางทีก่อนจะนอนถ้ามีเวลาอะไรที่ทำความดีบางทีอาจจะลดน้ำต้นไม้สักเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ตัวดูรอบๆถ้านอนไม่ลุกจะไม่ได้ลดน้ำต้นไม้อีก ตอนไม่จะเหี่ยวจะตายจะเฉาไปตอนไม่กำลังขอความช่วยเหลือมันก็มันก็มีแต่เมตตากูหนาวตอนไม่เหี่ยก็ได้ยินเสียงมันพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหรืคนเราแท้ๆทำไมช่วยกันไม่เป็นได้ยินไม่ได้เสียงไอ้ยินไม่ได้เสียงตอนไม่มันขอความช่วยเหลือ ไม่ได้มองแบบอะไรบอบแบบเมตตาคนหาคิดเช่นใดมีแต่เมตตาทำเช่นใดมีแต่เมตตาผู้จช่นใดมีแต่เมตตาเราทาลงไปก็สบายถ้ามีเมตตาคนหนานอนสมายตื่นขึ้นมาก็ก็ตังงลาที่นอนเก็บเรียบร้อย อ่านุ่งพระองคอะไรที่ใช่แล้วไม่ใช่อีกซักเรียบร้อยหับไว้เรียบร้อยจะ ห, หยิบอะไรจะดูอะไรเป็นละเวียบหยิบก็ง่ายหายก็รู้มเหมือนกับชีวิตที่สั่งหลับชีวิตไม่ได้อยู่ชีวิตไม่ได้ไป มีแต่ชีวิตเฉยเฉยชีวิตไม่ใช่อยู่ชีวิตไม่ใช่ไปถ้าไปถ้าอยู่ไม่ใช่ชีวิตเพราะอะไรเพราะไม่เป็นไรทําไมจึงไม่เป็นอะไรที่พูดคําว่าไม่เป็นไรทำไมจึงพูดคํานี้เพราะมันสั่งลาแล้วหวังขันหน้ากับอุปทานไม่มีแล้วไม่เอาขันหน้ามาเป็นสุขเป็นทุกข์ มันรู้เป็นทุกข์ไม่ต้องทุกข์เวทนาเป็นทุกข์ไม่ได้ทุกข์สัญญาเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์วิญญาณสังขารเป็นทุกข์ไม่ได้ทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก่อนเขาร่วมมือกันกันห้าเนี่ยร่วมมือกัน เหมือนคนห้าคนทำงานสัมผัสกันยื่นต่อให้กันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปก็คือรูปมันสัมผัสความคิดก็เจ็บปวดได้เก็บใจเจ็บปวดเพราะขวามคิดเป็นทุกข์ความคิดมันสัมผัสไม่เป็นทุกข์เพราะการสัมผัสเก็บป่วยทางรูปก็ไม่เป็นทุกข์ ปวดตับปวดท้องก็ไม่เป็นทุกข์เห็นมันปวดมันหายใจไม่ได้ก็ไม่เป็นทุกข์เห็นมันหายใจไม่ได้นี่ว่าลูกปวดเป็นอะไรก็จะมาปวดเห็นมันปวดมันมีลูกไม่นามจึงรู้จักนมไม่ใช่อยู่ตรงนี้เอ๊ถ้านามไม่เป็นทุกข์ สันเหรอไม่เจ็บไม่ติดอะไรมาไม่มีติดอะไรมาแล้วไปแล้วทําอะไรแล้วไปแล้วสังขารคือมันปรุงไม่ปรุงอะไรหยุดปรุงแล้วสังขารคือช่างหม้ช่างปั้นหม้อ ปุงปั้นไม่หยุดไม่หย่อนอะไรที่เกิดจากหม้อที่ดินมาปั้นย่อมแตกสลายหยุดปั้นหม้อไม่ปรุงอยู่แล้ววะปรุงแล้วมันแตกควมสุกก็ไม่เที่ยงควมทุกข์ก็ไม่เที่ยงเกิดจากสังขารรวมโกรธก็ไม่เที่ยงรวมโลคขมลงไม่เที่ยงความรักความจังไม่เที่ยงหยุดปรุงเรื่องนั้นแล้ว ไม่เอาความไม่เที่ยงรวมเป็นทุกความอะไรมาทําให้เป็นชีวิตเราจุดกันแล้วสั่งลากันเฉยๆวิญญาณไม่ติดอะไรบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เปื้อนเพื่อนไม่เปื้วนไม่แต่เห็นไม่เปื้อนเพื่อนอะไรเกิดขึ้นกับรูปผมนามไม่ได้เห็นไม่เปื้อนเพื่อนไม่มีเออ ลูกไปานาชนะสัญญาสังขารมุขยานที่เป็นทุกข์พระเจ้าก็บอกชัดเจนว่าว่าโดยย่ออุปทานขันตังห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อโดยย่ออุปทานขันตังห้าเป็นตัวทุกข์สรุปตรงตรงนี้แต่ก่ก็ว่าชนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ ความพักผ้าจากของเล็กของจอเเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดเมื่อได้สิ่นั้นนั้นเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคลับแค้นจะก็เป็นทุกข์งมัญข้ามารถนาสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ความคลับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์เพราะมันสั่งลากัน ไม่ออกมาเป็นสุขปทุกข์อยู่แล้วลูกทมน้รทานามทนี่จึงพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรมันช่างหลากันมันทำให้หมดมันทำให้หยุดคนทางานมีอาไม่เครื่องมือเหมือนคนจับจอบดายาหันหน้าเข้าหากันดายไปดายไป เราไม่หยุดต่างคนต่างธรรมบทนี้ก็บมกเลิตรงไปธํามาไม่ลู่เถินตามความเป็นจริงหันหลังให้กันวางเครื่องมือลงหันหลังให้กันกลับที่เดิมสู่สภาพเดิมสู่สภาพเดิมหยุดได้เป็นทุกข์ทุกข์ไม่เป็นทุกข์ หลงไม่เป็นหลงโกรธไม่เป็นโกรธพอใจไม่ใช่พอใจไม่มีคำว่าพอใจไม่พอใจหยุ ด, ยดมีแต่ชีวิตลุ่นล้วนชีวิตลนล้วนเพื่ออะไ ร, เ, ไรเพื่ออันอื่นเพื่อผู้อื่นเหมือนผู้เจ้าเลยตัดสู่แล้วพระองคคิดอย่างไรตอนนั้นมีแต่เมตตาคนาคิดจะช่วยคน ไปช่วยใครช่วยคนใครเคยคนคนที่ช่วยก่อนอุตกระดาวบุตรารตัตวศ์เนไม่มีแล้วใครอีกกลัวที่จะฟังเรื่องนี้ได้ปัญจวัคคียัญจวัคคีย์ที่ไหนนูน่นพ า, านาศีภายสิกัตนามุลึกกายะววันนูน้นง่ายเลย จากพุทธคยาสีมหาโพธิ์ไปถึงอิสิปันน่ะเนี่ยประมาณสักสามสี่ร้อยกว่าหมอกี่ละเดินไปถึงเดือนหนึ่งไปพบบรญจุชีทีแล้วบรญชีไม่สนใจคงอว่าสมากมากโกดธแล้วเห็นกินข้าวฉันข้าวนาสุชดา วามจะพีโกดพากันหนีจากเราความชีต้องชอบทรมร อ, อัฐจิมถาอยู่ทรมงันนให้จนได้จับลุกจับนั่งลงอาบน้ำแม่น้ำเลนชลาต้องโคองขึ้นฝั่งไม่มีแรงได้ขึ้นวาชีชอบแบบนั้นเอาเล้อยเอาเลอยแบบนั้นเชียเอาเล้อยแบบนั้น ไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่ทำอะไรฝัญชีเขาชอบแบบนั้นสมัยก่อนช่วยจริงไหมขณะที่ปัญจพีช่วยเอาขึ้นน้ำเอาลงน้ำม่ยังโกรดมัยังคิดถึงพิมพาลาหุ่นมันยังคิดพอใจไม่พอใจเออมันคิดกันมอย่างนี้ฮะเอมันไม่ใช่เรื่องลบเสีแล้ว เวลานี้มยังโตดธปัญญากีนะมันไม่ใช่หรอกนันคือที่น้ำอะไรที่น้ําต้องมีสติต้องศึกษาแลนี่กันก่อนศึกษาแลนี่เพื่อเจ้าคิดใบเพื่อศึกษ า, กษาต้องมีอาหารในก็พาะมันหมดแรงจะนี่ไม่ทําได้หันมากินข้าวปานจ้าวิชีไม่พอใจนีจากตามไป ตามไปแล้วก็หนีอี ก, อ ก, อ ก, กยังไม่หลกดล่ะยังตามไปอีกมันมีเมตตาคนานจากไปพกที่แรกเน่าจะสอนม่จะบอกเรื่องนี้ไม่ให้สอนเลยวันจันพี่พากันไปอีกไปอีสิปตะนานพระองค์ก็ตามไปอีก ตามไปแล้วปัญจคีนั่งอยู่<ม>ก็เข้าไปหาโกนธัญญาเอามาอีกแล้วจำนวนมากๆมาอีกแล้วไม่ต้องลุกดับพวกเรานะอย่าลุกไปไหนนั่งอยู่นี่แหละอย่าไปสนใจบระสงจะนั่งก็ตามใจไม่ไประสงค์จะนั่งก็ตามใจไม่ต้องเกาต้อนรับอะไรทั้งหมด บันจพีโกนธัญญาเป็นผู้ใหญ่เคยเชื่อมั่นในการทํานายลักษณะตั้งแต่บทสตรใหม่ๆยังมั่นใจว่าจะได้ตัดชลูกเป็นผู้ที่เจ้ายังมีเชื่อในทํานายทายทักของตัวเอง <Okay. S 1> ก็เลยเอาห้อสีปตนะปูไว้แล้วแต่จะนั่ง ผมก็เป็นนั่งลงดูก่อนดูก่อนปัญจวัคคีในแสดงธรรมจัดในวันนั้นต้องต้องต้องชวนฟังมามามาฟังเรื่องนี้กันไม่เหมือนพวกเรามาจากหลายจังหวัดมานั่งอยู่นี่เหมือนก็ยัง ไม่เหมือนอย่างนั้นนะพากันตั้งใจมากันมาปฏิบัติเหมือนกับคนที่อยู่ซึ่งหน้าเหมือนคนที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เราพูดท่านทําสิ่งที่เราสิ่งที่ท่านทําท่านได้ยินนี่คนอยู่ข้างหน้าเรามันก็สบายก็บอกมันถึงโอกาสนี้แล้วบอกเขบอกอย่างนี้นะ จึ้งพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะมันสังลากันนะลองดูซิไม่เอากายมัเป็นสุขไม่เอากายไปเป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรกับกายไม่เอาใจมาเป็นสุขไม่เอาใจไปเป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรกับคิตใจตัรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมรูปหมดมันไม่เที่ยงเหมือนเราจ๋าเที่ยปุสูตร แต่เปสงคลอันิจติยาตาปัญปญาญาปะจจติเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสงารตั้งคงวงใไม่เที่ยงอัตตนิพินตาติทุเกเอสมามควิสุติยาเมื่อนอนย่อมหน่อยๆนยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สนหลงอะ่อะนั่นแหละคือพระนิพพาน <laughs> แต่ก่อนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันกลับไนดะ้ความไม่เที่ยงเป็นนิพพานเห็นความไม่เที่ยงเฮยทุกข์พวกความไม่เที่ยงเป็นป้าแก่ของรักของเจ้ใจอ้มันเป็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเป็นสากลสามัลักษณะเกินชื่อว่าลูกว่านามนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงท่านนั้นเป็นทุกข์ความไม่เที่ยง วัภาคากของลกของชอบใจความขับแย่งใจอะไรต่างๆบบดนี้เห็นชัดเจนแม่นยำเปลี่ยนมาเป็นนิพพานนิพพานคือเหมือนเย็นเรื่องนี้แล้วสิ่งที่มันทุกข์มันไม่ทุกข์านิพพานเพราะเรื่องอย่างนี้จะไปสังกลลอทุกาติยะธาปัญญ า, รร ย, า ย, ยาปจจต อันนี้ภาษาบาลีนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยผลจาว่าทำสังขารตั้งเปิงเป็นทุกข์เมื่อนั่นย่อมหน่อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเกิดตรงนี้ควมเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์จะว่าอย่างไรจะให้ทุกข์เป็นทุกข์อยู่เช่ น, นั้นหรือไม่เป็นทุกข์ไม่ได้หรืออันที่ว่าเป็นทุกข์มันเกิดเลยมีตัวมีตนจริงไหม ไหมออกมาดูสิฉันโกรธตวความโกรธมาดูมันไม่มีเป็นอารมณ์เป็นอาการเกิดกับนางมาทรมันเห็นมันเห็นมันไม่ใช่มืดตรงนี้มันสว่างเห็นแจ้งอันเห็นแจ้งในเรื่องนี้รียก ว, วิปัญนาดูแจ้งร่วงพ้นภาวะเก่าเฮ้ยหลงตรงนี้ไม่หลง เฮ้ยทุกตรงนี้ไม่ทุกเฮ้ยโกรธตรงนี้ไม่โกรธนี่เราล่วงพ้นภาวะวาเก่าเอาอันนี้เป็นเครื่องพัดดูจากตัวเองหน่อดูจากคนอื่นจึงพูดว่าไม่เป็นอะไรก็ว่าหลายเพราะเห็นเห็นคมเป็นเห็นค ว, ม, นนควมไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์คมไม่เที่ยง เห็นทุกมันจึงพ้นจากทุกถ้าไม่เห็นไม่พ้นเมื่อเกิดการเห็นก็มีการหลุดพ้นขณะเดียวกันเราจึงมารู้จักเวลานี่สําคัญกว่าเวลาอื่นทั้งเวลาทั้งรู้ตัวเองทั้งรู้คนอื่นสําคัญคนอื่นมันอยู่ในขณะเดียวกันเนมีสติ มันก็รับความทั่วเรารับคมทั่วมันคืออะไรมันคือทั้งหมดแล้วมีสติก็ทําความดีมีสติก็จิตบริสุทธิ์มันทั้งหมดแล้วเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสามาธิเป็นทั้งปัญญาถ้ามีศีลมีเสน่ห์สมาธิมีปัญญาเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อไม่บีบเบียนตนไม่บเบียนคนอื่นใจเงินวัตถุอื่นถ้ามีศีลก็เป็นอย่างนั้นแล้วไปอย่างนั้นแล้ว เป็นไปเพื่อกันไม่เปลี่ยนตนไปก็เป็นการไม่เปลี่ยนคนอื่นจริงวัตถุนั่นคือธรรมคือวินัยเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วหมุนไปแล้วเหยียบแหลกไปแล้วเป็นทางไปแล้วทางเป็นไปแล้วทำมาจับทำให้เป็นไปแล้วหมุนไปแล้วหมุนไปที่ใดรอบเรียบควมรูปขมโกรคขมหลงรอบลง ตัวมูหลงลงอาลายลาบลงเรียบไปเลยเป็นกานเรียบไปเลยมองแบบเรียบเรียบไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นคือเลยเห็นไม่เป็นพ้นเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจาความทุกข์เรียบลงแล้วไม่มีขึ้นไ ม, มไม่มีไม่มีฝั่งที่สูงข้ามข้ามได้ง่ายเรียบลงชีวิตเรียบลงเหมือนไม่กวาด ทาไปที่ใดที่นั่นก็สอดตติที่ไปเห็นสิ่งใดที่นั้นก็เรียบลงลองดูสิจริงไหมเวลามันหลงที่สุดตัวมันมันเป็นความหลงอยู่เรื่องเหมันลู่จุดตัวแม้มันหลงอีกก็ลู่จุดตัวอีกกรรมมาทานมีที่ตั้งลู่จุดตัวอยู่นมันเพียงพอ เป็นเครื่องมือฝึกขัดแล้วทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องใช้มันเป็นแล้วเหมือนเราเรียนหนังสือได้แล้วมันต้องไปอ่านโกไก่ขอใครอ่านได้เลยรู้ความหมายปฏิบัติตามความหมายมารู้จักตัวเองนี่ปฏิบัติไปเลยใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ไปเลยมีตจทำ มีการทำเกิดขึ้นไปเลยถ้าใช้ชิดไปไงรูปเจอตามตามมีแต่กิริยาไม่มีกรรมเลยกินข้าวนอนขับถ่ายเป็นกิริยาของลูกาการพูดจาวาใส่การทำโน่นทนํานี่เป็นกิริยาไม่มีกรรมชีวิตที่เหนือกรรมไม่มีเจตนาจะไปทําให้อะไรเดือดร้อน ไม่มีมีใจกิริยากิริยาเป็นการตตร ก, กรรมกรรมไม่มีผลไม่มีไม่ทําทำให้เกิดทุกข์กดโทษแก่หลายแต่ตัวและคนอื่นน้อยจะเป็นยังไงเราอยู่ด้วยกันทั่วความสโบร่มเย็นเหมือนคนคนเดียวกันดึงพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรมนะันมันทำลักษณะแบบนี้ กรรมฐานเนี่ยทำเท่านี้หรือมันเป็นไงทำเท่านี้เหละไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนเอากายเอาใจเป็นตำลามีสติเป็นนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเร่อนี้เข้าไปชีวิตของเราก็พร้อมแล้วลองใช้ชีวิตแบบนี้ลองดูแลโ้วรู้อยู่ผู้เฉืเข้าเฉือนออกรู้อยู่ก็ไมา่ชิดไปกับมไม่ชิดกับรู้อยู่ มีหลักอยู่แล้วผลแบบประมายส บ, บายหายใจรโลงไม่ประเมินไม่รอทําอย่างไรไม่เละเดสชสงศสายไม่มีคํำอธิบายอธิบายคุณรู้สึกตัวไม่ได้คุณรู้สึกตัวคืออะไอธิบายไม่ได้เหนือคําอธิบายเหนือเหตุเหนือผลพื้นเมื่อขึ้นรู้สึกยกหมื่ขึ้นรู้สึก ไม่มีคํำอธิบายเป็นการสัมผัสความเท็จความจริงเข้าไปความเท็จความจริงต้งจะู่บนความรูปบนนามมันบอกกมไม่จริงความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเจอจริงเหล่านี้เข้าไปเลือกได้เลือกได้เป็นชีวิตที่ผ่านได้ สติบัฏฐานเป็นทางฟรีเวผ่านได้สบายเห็นไม่เป็นเนี่ยผ่านได้ทุกกรณีอะไรเกิดกับกายเกิดใจมันจะเห็นไม่เป็นเนี่ยจะเป็นทางทางคืออะไรคือมรรคก็คิดชอบพูดชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียนชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหมดเวกเลยทเดียว การช้ชีวิตของเรารวมลงอยู่พับใสกับโป้ก้มมือเดียวมีสติทั้งหมดคือมีมีสติก็ไปทั้งหมดแล้วตั้งต้นจอดคมรู้ตัวทันทีมีหลงออกไปกทั้งหมดแล้วไปคนละทางกันแล้วตติไปทางไหนหะัวมหลงไปทางหนะตั้งต้นที่ตรงนี้เราจึงมาตั้งต้นกอนที่นี้ มีความรู้สึกตัวไปในกายอยู่ไปประจําตอนความพอใจและความไม่พอใจในโทกเฉอได้มีกายมีความรู้สึกตัวที่กายก็เห็นเรื่องของกายของใจที่เดว่ากายเวทนาจิตธรรมตั้งสี่ดานโมมิฉดิลืดไปตั้งสี่ดานข้าม ล่วงได้ทั้งสี่ด่านทีเก้าเก้าหนึ่งคือกายเก้าหนึ่งคือเวทนาเก้าหนึ่งคือจิตเก้าหนึ่งคือธรรมข้ามได้ทั้งสี่เก้าเลยเฉยก็มีสติน่ะมันสุเห็นมันสุขข้ามเลยล่ะไม่เป็นผู้สุขมันคิดเห็นมันคิดไม่เป็นผู้คิดมันมีอาการเหป็นธรรมบางทีก็เป็นความสงบเป็นความผู้สั้นข้ามไปอีก แม้มีสติเรากข้ามได้ไม่ต้องเป็นลำดับเป็นอารมณ์อะไรจนเสียเวลามีสติอย่างเดียวข้ามไปแล้วไม่ต้องไปเรียนรูปอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไปรูปไปคำมไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นทางด่วนด่วนที่สุดมันกายามันเห็นอะไรเกิดรู้กา เ, นนนาเห็นน้อนหนาวเห็นขีปปวดเห็น เจ็ปวดขึ้นเลยสุขทุกข์เห็นมวมคิดที่มวลคิดก็้มาเห็นทำคือมันเกิดอาการกับกายกับใจพร้อมกันเป็อารมณ์เห็นบางทีก็สงบบางทีก็พุ่งซ่านบางทีก็มีปิติบางทีก็มีปัญญาบางทีก็มีความไม่รู้เมื่อวานนี่รู้ดีวันนี้ไม่รู้ในว่าเป็นทำที่มันเกิด อา้การนาั้นหนึ่งเกิดกับปากกับใจเห็นไม่ได้เข้าไปเป็นกับมันมันแสดงอะไอรก็เห็ น, มนไม่เป็นกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับปากกับใจอะไรมันจะชำน้ชํานาญยิ่งใหญ่มาว่าที่เห็นเห็นแล้วไม่เป็นป น, นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มีอํานาจมีสิทธิ เป็นอาทิตย์ปไต่เป็นธรรมอาทิตย์ปไต่ภาวะที่เป็ น, นต่ําต้อยกิบจ่อยอะไรก็เป็นป น, นี่ว่าต่ําต้อ ย, อ, อ, ยอยู่ที่ต่ำว่าเห็นหรื อ, อยู่ที่สูงมนุษย์ไปทางสูงสูงมนุษย์ต้องเป็นผู้บรรลุธรรมไปสู่สวรรค์นิพพานไปทางสูงสูงคือเห็น ได้เป็นหรืไปทางต่ําไปสู่บ่ายได้ไปคนละทางให้แยกทางตรงนี้เป็นมนุษย์เป็นได้พ้ไปสูงสูงเป็นคนไปทางต่ำต่ำสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เรื่องคนมนุษย์ษยเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์หรมนุษย์มนุษย์โซซิ เป็นมนุษย์เหลป็นมนุษย์แบบไห น, นเป็นมนุษย์ที่ต้องเนี่ยงานบวชเพื่อจะเป็นมรรคสร้างมักสร้างผลมาจากพุทธเจาจงพูดว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงถ้าเป็นคนนั้นเป็นได้ใจต่ำเราอยู่ในฐานะแบบไห น, นพัฒนาได้ เดอป่อยทิ้งเดหยาบเดดื้อมันหลงเด้อไปดื้อด้านในความหลงถือว่าเป็นเรื่องที่งานของเราลเปลี่ยนหลงเป็นรูปหลงหนึ่งครึง่งเปลี่ยนรูปหนึ่งครึง่งนี่ว่างานของเรามันทุกข์รูปเดาให้ทุกข์เป็นความดื้อด้าน ใส่ใจเขี่ยทุกข์เป็นไม่ทุกข์มาล่าเป็นดีเรียก ว, ว่าภาว น, นาเขาหยันรู้เรียก ว, ว่าภาว น, นาถ้ามีตัวรู้เป็นหลักก็ใช่ความรู้ถ้ามีความหลงเป็นหลักมันก็จะใช่ความหลงความรู้มัไม่ใช่ชิดเอาประกอบสัมผัสเอากายไปสัมผัสเอาใจไปสัมผัส มันจึงจะมีใช่จึงคบผงโจรมีเวลาไม่สำคัญเวลานี่สำคัญใช้เวลาไปประโยชน์อย่าเอาเวลาไปทำอะไรมาเ ข, าข้าคดเจ็ดวันห้าวัน10วันมาทำลองดูให้สุดฝีมืออย่าแบงปันอย่าลบขวนก่อน มัาศึกษาเรื่องตัวเองแค่เวลาศึกษาตัวเองให้รู้ตัวเองก่อนคนเดินมาลู่ตัวเองให้มันมันเห็นให้มันรู้รู้ความหลงมันเกิดอยู่ที่นี่รู้ความทุกข์รู้ความอะไรมันเกิดที่นี่รู้อามันเป็นตัวรู้หรือกว่าศึกษาแล้วศึกษาคือหลงเทย่อยแยกออกอย่าให้เป็นรุ่นเป็นก้อนเหมือนเขาจะหลงแร่ไดเนื้อออกมา ความหลงเป็นความไม่หล ง, ลงใช้ได้ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ใช้ได้นี่เรียกว่าถลุงคือสิกข า, นานคือศีลสิกขาและทําเป็นคือเรื่องชีวิตพวกเราเลี้ยงชีวิตแบบนี้ชีวิตของเรามีสองส่วนคือรูปธรรมนามธรรมชีวิตคือไม่ไม่เป็นอิรันรไม่ใช่มาเกิดมาเจอมาเจ็บ ม, มาตายไม่ชีวิต ปิกุนังจิขาชาชีวอสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิขาและทำเป็นคือเรื่องชีวิตชีวิตของเราเจริญอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ชีวิตของเราคือหายใจคือกินข้าวกินน้ำได้ใ น, นไม่ใช่ชีวิตของเรามต่อยอดออกจากชีวิตอันนี้ในชีวิตที่ไม่เป็นไรเนี่ต่อยอดเหนือการเกิดเจ็บตายอยู่ในชีวิตนี้ที่มีรูปทำนา้ำทำนี่ สมควรใจเวลาอาภ้าพร้อมกัน